ภิกษุชื่อช น, นะต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาตําหนิตประนามโพรทนาว่าฉไหนภิกษุชื่อช น, นะต้องอาบัตแล้วจึงไม่ปราถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตเล่าแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ